แนะนำบทอัตตะบุญบทอัตตะบุญเป็นบทบรรณียะมีสิบแปดองค์การบทนี้ได้กล่าวถึงการถวายพรแด่อัลลอฮ์ผู้ทรงเกียรติความยิ่งใหญ่ของโปรง่งและร่องรอยแห่งเดชาลุภาพของโปรง่งได้ได้กล่าวถึงเรื่องมนุษย์ที่ศรัทธาต่อพระเจ้าของเขาและมนุษย์ที่ปฏิเสธศรัทธาและไม่ยอมรับในบุญคุณต่างๆของอัลลอฮ์บทนี้ได้ยกอุทาหรหอ ถึงเหตุการณ์ในศตวตรรษกร่อนๆที่ประชาชาติต่างๆในอดีตซึ่งปฏเิเสธบรรดาศาสนทูตของอัลลอฮ์และได้รับจากการลงโทษและความหายนะอันเนื่องมาจากการปฏเิเสธศรัทธาก็าตางและได้ใช้จงรักภักดีต่ออัลลอฮ์และาศาสนทูตขององค์ได้เตือนถึงภัยที่จะเกิดขึ้นจากการผิดหลังให้กับการเรียกร้องเชิญชวนของอัลลอฮ์และได้กล่าวเตือนถึงการเป็นศัตรูของภริยาบางคน และลูกๆบางคนเพราะพวกเขาเหล่านั้นบางครั้งได้ห้ามเขาไม่ให้ต่อสู้ดิ้นรนและอพยพไปในทางของอโลบทนี้ได้จบลงด้วยการใช้ให้บริจาคในทางของอโลเพื่อเชิดชูศาสนาของปรุงให้สูงส่งและเตือนให้ระลึกถึงการตำหนและการหวงแหนเพาส่วนหนึ่งจากคุณลักษณะของผู้ศรัทธาก็คือการบริจาคใ น, นทางของอโลโดยมุ่งหวังความโปรดปรานของปรงุง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 ล้ลรรงงูถึสิ่งงที่่ออยูในวกาวคราวของบรรดาผู้ปฏิเสธศรัทธาในอดีตไม่ได้มาอย่างพวกเจ้าดอกหรือพวกเจ้าได้ลิมรถการลงโทษแห่งกิจกรรมของพวกเขาในโลกนี้และการลงโทษอันเจ็บปวดจะได้แก่พวกเขาในวันฝรัโลก ذلك بأن ه كانت تأتيهم ر س ل ه م بالبينات فقالوا فقالوا ب ش ر يهدوننا وت فكفروا وتولوا و ا س ت غ ن الله والله غني ح م ي د นั่นเป็นเพราะว่าบรรดาศาสนาทูตของพวกเขาได้มาอย่างพวกเขาพร้อมด้วยหลักฐานอันชัดแจ้งแต่พวกเขาได้กล่าวว่า สามัญชนเช่นนี้กระนั้นหรือที่ อ, นนอชี้แนะทางให้แก่เราพวกเขาได้ปฏิเสธศรัทธาและผินหลังให้แต่ลราทรงพอเพียงจากการศรัทธาของพวกเขาเพราะลรอเป็นผู้ทรงบัางมีทรงได้รับการสารรเสริญ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 นั่นแหละเป็นการง่ายสำหรับอัลลอามบลฮ์ดังนั้นจงศรัทธาต่อลอและรอสูลของโพรงและแสงสว่างคืออัลกุรอานซึ่งเราได้ประทานลงมาแลลอน้นสรงรอบรู้สิ่งที่พวกเจ้ากระทำ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 และมันเป็นทางกลับที่ชั่วชายิ่งไม่มีทุกภัยอันใดเกิดขึ้นเว้นแต่ด้วยอนุมัติของอัลล่ะและพุดัยสัทธาต่ออัลล่ะพรมจะทรงเปิดหัวใจของเขาสู่แนวทางที่ถูกต้อง และอัลลอ์นั้นเป็นผู้ทรงรู้ทุกสิ่งและจงพักดีต่ออัลลอ์และพักดีต่ อ, ตอรอซูลหากพ่เจ้าผินหลังให้ไม่เชื่อฟังหน้าที่ของราซูลของเราคือการเผยแผ่อันชัดแจ้งเท่านั้นอัลลอฮลาอิละอิลลาฮ َعَلَ اللَّهِ ل فَنْ يَتَوَكَّنِ م م ؤ a l l o นั้นไม่มีพระเจ้าอื่นใดนอกจากพระองค์เท่านั้นดังนั้นบรรดาผู้ศรัทธาทั้งหลายจงมอบหมายต่ อ, อล l l o t เถอดยา أيه الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدو و ا ل َّ ك ُ م ْ فاحذروهم โอ้ผู้ศรัทธาทั้งหลายแท้จริงในหมู่คู่ครองของพวกเจ้าและลูกหลานของพวกเจ้านั้นมีบางคนเป็นศัตรูกับพวกเจ้าฉะนั้นจงระวังต่อพวกเขาแต่ถ้าพวกเจ้าเอาภัยและยกโทษให้แก่พวกเขาแท้จริงอลัลลอฮ์นั้นเป็นผู้ทรงอาภายัยผู้ทรงเมตตาเสมออินนามอัม ให้ทรัพย์สมบัติของพวกเจ้าและลูกหลานของพวกเจ้านั้นเป็นเครื่องทดสอบอลอนั้นนะที่พระหลงมีรางวัลอันยิ่งใหญ่ัตตุลลาฮ์นสตัตัยตุวัซ์นังวัอตียว وا وأ ัอาตีคุ้ขีรันนี้อม์ุสิกุม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 ทรงผลนผันการลงโทษผู้ทรงรอบรู้สิ่งเรึนลับและสิ่งที่เปิดเผยผู้ทรงเดชานุภาพผู้ทรงปรีชาญาณ